สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99ยังไปกันต่อครับอีก2เรื่องฮนะแลวตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่จ๊ดอ่านะฮะคุณคิงบสบายดีนะดีพี่พอดีว่ามัน ไม่นอนผมเห็นี้คอมเมนต์อยู่คนรู้เรื่องผมนอนเลยอะ <c oughs> ได้นอนอยังได้นอนอยัง <c oughs> คือคือเครียดแต่ผมขอ ข, ขอบคุณก่อนทุกคนเลยในเรก็นะครับที่ช่วยเรื่องของการสร้างกุทธิขอบคุณก่อนเลยแต่ว่าพุทิพังพี่ตอนนี้กำลังวางแผนร่วมกันใหม่เพราะว่าพอเราเข้าไปแหละหลังคาไป่โดนกิงไม้อก็เลยแบบจะท่านก็รับจะตำบรรสายนะครับท่านก็บกท่านท่านตำบันสาให้ถ้เาเราเต็นต์มากลางข้างในกุทิีทีนึ ผมก็จะพยายามรีบไ ป, ไปอมแซมไว้เร็วที่สุดแสดงว่ามันไปกิ่ง <c oughs> กิ่งไม้ตอนขนส่งอย่างนี้เหรอฮะมันเป็นกิ่งที่เลยขึ้นมาบนถนนหลวงฉันค<ะ>ิดว่าเราจะตัดยุ่งเนี่ยเจ้าของเขาไม่ลองให้ตัด<ะ>จริงจริงมันมันเลยขึ้นมาบนเขตถนอนอะไรอย่างเง้ที่เขาแตกเราจะไปหาดขันนั่นใจก็ไม่ได้ที่มันจะมีปัญหากับพระท่านก็เลยต้องต้องลุงยไปท่อย่างนั้นแหะแล้วก็ลุยนอนแล้วก็เหนียว ก, กิ่งอะไรหลบกิ่งค่อนข้างใหญ่ครับ อ, อแบบนี้ว่ามันก็ดีใจเพราะว่าหลังคาย หลุดแล้วกนเหล็กโยกอะไรบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปซ่อมเาครับอ่าโอเคนะครับก็ก็เดี๋ยวคงจะไปซ่อมเพิ่มเติมน ะ, ะแต่ลดลงผมผมสงสัยที่บัตร<ช>แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือในส่วนของกุฏิเนี่ยถึงสถานที่ละเดี๋ยวค่อยไปไปแก้ไขไปซ่อมเรียบร้อยนะโอเคอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณคิงนะแน่นอนว่าการทําบุญมันต้องมีอุปสรรคเล็กน้อยน่ะค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงกันไป นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณคิงแล้วก็มีหลายคนแซวมาบอกอุย้ยคิดถึงเสียงหัวเราะพี่คิงเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยมายะเนี่ยออถือว่าเป็นคนที่หัวเราะแบบเป็นเอกลักษณ์ดีอ่านะครับคุณคิงมาว่ากันถึงสองเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากคุณหมีครับ <c oughs> เรื่องของผีลูกโซ่ครับ <c oughs> เออเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณคิงลุยเลย จะบอกว่าอย่างนี้ก่อนเลยนะที่แครับผมจะพูดต่อไปเนี้ยผมไม่สนว่าใครจะคิดยังไงแต่ตัวผมอ่ะผมสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วรเริ่มต้นก่อนเลยผมขอบอกก่อนเลยนะว่าเรื่องเนี้ยถ้าคนมีเสซนฟังรัมรู้ได้แน่นอนคือตัวผมเองเนะี้ยผมได้รับข้อความมาจากคุณหนีครับคุณหมีแล้วแกบอกกับผมว่าแกอยากให้ผมให้ใช้ชื่อนี้แล้วไม่ใช่อีชื่อหนึ่ง คุณมีเนี่ยแกพิมพ์มาเป็นข้อความทรมมิงประมาณทักสองวันแล้วผมถึงได้อ่านาพอผมอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเลยคือผมไม่ตอบกลับนะจนผมมีความรู้งึกว่าหรือมันจะเป็นแค่เรื่องอับเนื้อเรื่องในนั้นคือประมาณว่าถ้าเขาเล่าให้ใครฟังเรื่องที่ผม๋งกำลังจะเล่าตอนนี่้ทุกคนจะต้องเจอดวงวิญญาณดวนี้ไปหาเฮ้ย ถึงเรื่องถึงตังชื่อมนุษยผีลูกโซ่เนี่ยเหรออ๋อใช่ผมผมเลยบนที่เลยคิดได้ใจเอแล้วเราจะอ่านดีหรือว่าจะเล่าต่อดีไหมวะคือผมคิดอย่างนั้นอันนี้ผมนึกถึงเพราะหนังผีญี่ปุ่นเลยนะอ่ะผีญี่ปุ่นจะมีประมาณเนี้ยคือท่านได้ยินได้ฟังหรือได้ดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณเนี้ยจะโดนวิญญาณทําอะไรบางอย่างครับอืมอเมอืมอืทีนี้ี่พอพอผมเห็นเนี้ยผมก็เลยคิดว่า หร่อมันจะเป็ น, นมุกนะก็เลยลองทักไปว่าขอบคุณมากครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราโทรคุยกันเป็นเขาถามมาว่าช่วงไหนผมก็บอกว่าช่วงน่าจะเป็นค่ำๆแหะผมจะว่างแล้วปรากฏว่าในวันนั้นนหละหลังจากที่ผมได้อ่านนะพี่แจ่ ม, มันมีเหตุการณ์ปร ล, ลาเๆจะขึ้นจนผมเนี่ยไม่คุยโทรศัพท์กับเขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมจะเคาเอาเนื้อเรื่องของเขาก่อนเลยเนื้อเรื่องเขาเนี้อเขาเล่าให้เขาเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่กลุ่มหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ยจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมีแต่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจะไปไหนด้วยกันตลอดเด็กผู้หญิงจะสนิทกันที่โรงเรียนครับโดยใจความแลคือสนิทกันังหมดแต่เวลาไปไหนจะไปกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชอบไปทํากิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันจนวันนึงเพื่อนคนนึงเสียชีวิตอันนี้เือคร่าวๆเป็นเนื้อความที่เขาพิมพ์มาหลังจากนั้นนเี่ คนตัวคนหมีเองเนี่ยยังไม่ทราบหรอกว่าเพื่อนเสียชีวิตม่ค่อยๆไปเจอคนนั้นคนนู้นคนี้จนมาถึงคนหมีซึงเราทราบด้วยฝันแล้ ว, วันหลังที่คุณหมีเล่าให้คนฟังวิยาณดนี้กลับไปหาคนค น, น, ค น, นู้นคนนี้คนนั้นแต่ก็ยังที่มไม่รู้จักอ่อเดี๋ยวนะคือระหว่างที่คุณคิงเล่าอยู่ตรงนี้อันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังมีหลายท่านออกไปจากไลฟ์สดจริงๆอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องที่เขาว่าต่ อ, ต, อต่อกันมาแต่ เพื่อความสบายใจของแต่ละคนอันนี้เข้าใจนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมเมื่อกี้ที่คุณคิงพูดไปแล้วถ้าท่านฟังเรื่องเนี้ยฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าวะฉันจะออกไปก่อนไหมฉันฉันจะมานั่งฟังทําไมฉันจะมาเสี่ยงทําไมอันนี้ไม่ว่ากันนะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับครับแต่ที่ผมนั่งฟังตรงนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องฟังครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นคุณคิงกับคุณผู้ฟังที่อยู่นะตอนนี้ถ้าอยากฟังพร้อมกันร่วมกัน ถือว่าฟังเอาสนุกฟังเอามันลุยกันต่อเลยฮะผมบอกอืผมบอกเลยพี่แจผมผมไม่ไม่รู้สึกร้อยใจเลยเพราะว่าผมเข้าใจทุกคนดีว่าแม้แต่ตัวผมเองอะผมอ่านข้อความนี้ครั้งแรกผมยังรู้สึกว่าคุณจะไปยุ่งดีป่าวคือผมก็คิดอย่างนี้เลยนะแล้วมันเกิดเรื่องนี้ครับคดิฉันผมต่อเลยนะอ่านข้อความเสร็จผมเลยว่าอืไม่เอาดีกล่าเลยเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านข้อความผมนั่งอยู่ในบ้านค แล้วตู้เย็ยนผมอะ่ะมันโดนใครตบมันดูแรงๆแบบปั้ง <Ờ. S 2> อยู่หลังผมอะ่ะ <Ờ. S 2> ผมก็เลยอาจจะมองหน้าแฟนแฟนผมใส่สมอทอือดู youtube อยู่ <Okay. S 2> เขาก็เหมือนจะกึง่งๆเหมืนอนสงสัยว่ามองอะไรออื <Ừ. S 2> ผมก็เลยเดินไปหลังบ้านไปชงกาแฟเองคือเราเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วและปกติแนตะ่ผมจะบอกแฟนผมว่าเว้นชงกาแฟให้หน่อย <Ừ. S 2> แต่วันนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีอะไรอะ่ะ๋ยวไปเจอเองผมไม่ได้เดินไปหลังบ้านเพราะมันมืดไง <Okay. S 2> ไปรชงเองเพราะผมปรชงเองเสียทุกข้างๆอ่ะ มันจะมีเอกก้าส่จานมันเหมือนโดนเขยา่าสองทีอ่ะผมก็เลยบอกถ้าจะมามาดีๆถ้ามาอย่างเงี้ยกูไม่ยอมนะเว้ยผมพูดนี้นะขอโทษนะครับขอโทษนะผมพูดนี้เลยกูไม่ยอมนะเว้ยกูก็สิทธิ์มีขู่ปรากฏว่าไม่มีอะไรก็เงียบไปครับแล้วผมก็เลยกลับมาพิมพ์บอกเขาว่าผมว่าคุณควรไปขอเพื่อนคุณคนกว่าอือเขาก็เลยถามว่ามีอะไรแต่ผมไม่ตอบไม่อ่านเลยนะคือมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาบนแล้วนี่แต่แต่เราไม่อ่านไม่อะไรออ อีกวันหนึ่งตอนเช้ามาผมกำลังนั่งอยู่แตนผมเนี่ยเขาก็ออกไปซื้อกับข้าวเป็นปกติเวลาเช้าสายเนาะประมาณสักเก้าโมงไปกับน้องคนหนึ่งที่เขามาช่วยผมที่โรงปั้นเขาก็จะไปประมาอยู่นนเนี่ยน้องคนนี้น้องผู้หญิงนะเขาก็จะขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าบ้านและเขาก็ไปซื้อกับข้าวด้วยกันเรื่องนี้เรื่องผีที่ผมป้านเนี่ย ผมยังไม่เล่าให้แฟนหนึ่งรังไม่ได้เล่าให้กับน้องผู้หญิงนั้นฟังไม่มีใครรู้ออือและผมก็กําลังอยู่กับลูกชายผมครับแล้วนั่งทำอะไรอยู่มีเสียงเรียกที่หน้าประตูบ้านผมที่หน้ารู้ว่าอะไรนะกลางวันตะแกรง่าบอกว่าพี่ครับนี่ครับเป็นเสียงผู้ชายพี่ชาผู้ชายใช่ครับออพี่ครับพีบ่ครับลูกผมครับลูกผมกําลังจะบอกพ่อมีคนมาผมผม ยุยกมือห้ามเพื่อนก่อนเ<อ>ราไม่ต้องพูดแล้วมันก็รีบเดินไปที่รั้ว<อ>ไม่มีคนครับดูทางไหนก็ไม่มีและไม่มีมุมให้หลบออืไม่มีเถือมอเตอร์ไซค์ไม่มีอย่างจักรยานรถเก่งอะไรอย่งนั้นเข้าไปไหนครับผมก็เลยกลับมานั่งนะแล้วก็พิมพ์ไปคุณขอเพื่อนคุณหรื อ, อยังเขาก็พิมพ์ส่วนเข้ามาบอกเรื่องมันเป็นยังไงเหรออืผมก็เลยพิมพ์อธิบายเขาฟังครับเขาก็บอกเดี๋ยวผมนั่งรถไปขอเลยออ ทีนี้ในจังหวะนั้นนะแฟนผมกลับมาผมถามแฟนผมว่าเมื่อกี้ตอนขับรถเข้ามาเนี่ยเห็นใครมันวิ่งหรือมันเดินแบบตอยมั้ยคือเขาสรวนมาตั้งเยอเนี่ยครับอกไม่มีอกดเลยฟังว่ามีคนมาเรียกฟ้าเรียกพี่ครับอพี่ครับพี่ครับสามครังคร้งแต่หาตัวไม่เจอว่ะออื huh. ผมก็เลยเริ่มพิมพ์กลับไปรอ่ให้เขาฟังคุณหมีเนี่ยเขาก็นั่งรถ ไปนะครับอ่าสถานที่บอกได้บอกได้บอได้เร่งรถไปที่คลองแสนแสบอืไปไหว้ขอเพื่อนเขาระหว่างมันเขาบอกเพื่อนเขาว่าฝนตกหนักเลยเขาบอกเพื่อนเขาว่าถ้ามึงอยากให้กูช่วยออืถ้ามึงอยากให้กูช่ว ย, ม, ย, วยมึงต้องทําให้อะไรก็ได้ให้กูสามารถลงไปไหว้ตรงจุดที่มึงตายได้ครับลราก็บอกฝนหยุด หุดทันทีตอนเขาเก้าวก้าขาลงรถอะอืแล้วเขาก็ไปจุดทูบกหลังจุดทูบ ก, ก่อนจะขึ้นรถสนเทกกันนํำใหญ่เลยเขาเขาไม่ได้พิบอกผมว่าว่ามันคงอนุญาตนะล่ะเขาใช้คำว่ามันนะครับคือเขาเรียกเพื่อนเขอาอะทีนี้แหละผมก็จะร้อยฟังว่าได้เงเป็นยังไงคนที่หนีเนี่ยเขาเล่าย้อนกันไปว่าอืเขาเข้ามาอยู่ในมุงที่ไม่เจ็บเนี่ยเขาก็ชาวพันเมนต์กิไหนสุดตัด ใ, ใจซื้คอนโดอืมอืม แล้วเขาก็นอนอยู่คนโดอย่างเงี้ยมานานมากเลยเดนที่ไม่เคยเจอเรื่องอะไรเพราะมันเป็นคอนโดใหม่คแต่ที่อยู่วันนึงเขาฝันย้อนกลับไปว่าเขาได้ไปเจอเพื่อนๆกลุ่มเดิมออืเพื่อนๆกลุ่มเดิมเนี่ยที่มีแต่เด็กผู้ชายด้วยกันสมมุติว่าเป็นบ้านของคุณบีครับแล้วคุณบีเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่แบบใครๆก็ต้องไปเฮอยู่บ้านเพื่อนคนเนี้ยพ่อแม่เขาตามใจไงทุกคนไปหาปูหาป้ามาเสร็จเอามารุมทำที่นี่ เอามาเล่นกระกที่มาปิ้งมันกินอะไรกันที่นี่แด่ผ้าอาบน้ําอยู่ในอ่างเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขานะครับปรากฏว่าวันนั้นก็ฝันว่าอยู่ดังนคุณีเหมือนเดิมและทุกคนก็ให้อาบน้ําออกไปทีละคนทีละคนทีละคนคคจนเหลือคุณหมีกับผมขอเรียกชื่อเขาว่าคุณรอคุณรอเนี่ยสองคนคุณหมีเล่า้ฟังว่าได้ฝันนะพ่คิมมันอยู่เฉย แล้วอยู่ดีมันก็หันหลังจากที่แรกก็เล่นเงนสนุกสนุกเนี่ยแล้วมันค่อหันกลับมาตัวมันซิดเหมือนไก่ที่โดนปมแล้วที่เคยเลี้ยงสีไหมอืมอืมบอกเคยๆครับอ่าไม่ฝานผมนะอืมมันซิดอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันถามผมว่าไงรู้ไหมไปเที่ยวกับกูไหมอืมเขาก็บอกเฮ้ยมันไปเที่ยวไม่อะเขาเพิ่งกลับมาอืมมืเที่ยวกูเลยมอเที่ยกเลยคับพยายามขยันสยองเลยแต่ว่าอืม คุณมีได้ฟังว่าถ้าเป็นตามเป็นจริงอ่ะเพื่อนชวนไปไหลจะไปหมดหแต่ดนฝันนะแค่นี้ของสิ่งเหมือนกับว่ามันดูฟิดแล้วมันดูน่ากลัวจนมีของสิ่งว่ามันตลาดแล้วอะ่ะแต่ก็เลยบอกไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวแม่กูดารปรากฏว่าน้ําในอ่างซึ่งมันมีความสูงแค่ประมาณเอวอะ่ะออืัค่อยๆท่วมท่วมเลยเห้องน้าท่วมจนขึ้นมาดึงคอหอยแล้วคุณรอก็ถามคุณมีครังบว่ามึงจะไปกับกูไหมคุณมีก็เลยบอกว่าไม่ไปแล้วน้ําก็ท่วมปากแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาอ ตอนนั้นคุณบีก็มานั่งคิดว่ามันคืออะไรวะรทำไมเราฝันถึงเพื่อนเราอย่างนี้วะแต่ก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วนะครับก็ก็เออไม่เป็นไรเนาะอีกไ ม, ไม่ไม่กี่วันต่อมาก็ไปนั่งดื่มกับเพื่อนก็คือคุณบีเจ้าของบ้านในฝัน น, บบนั่นแหละที่บ<ๆ>กี ก, ก็ก็ไปเล่นบ้านเขาอยู่บ่อยๆก็คุยมาคุยมาเขาก็บอกว่าเออดีกูไม่เจอจะรอเลยว่ะอืมแบบที้มันเป็นยังไงมั่งวะ ดีมันกำลังดึงอสำรักเนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีงถามจีิงหมึงถามเล่นเนี่ยถามจริงพี่เพื่อนฝูงไม่เจอนานเฮ้ยมึงฟังอยู่แล้วออไอ้รอมันโดนแทงตายแล้วโดนโยนของแสนแพงอออ๋อโดนโด น, นแทงตายก่อนออออนานยังวะครับเพื่อนเพื่อนเขาบอกประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณดีแค่นั่งคิดเลยนะครับ ของแฉนแสบปุ๊ประมาณทนีนี้วันที่แกฝันก็อยู่ช่วงประมาณนั้นพอดีเออหรอคือจับต้นชนปลายจับไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันตรงกันครับกับช่วงที่ทเพื่อนเขาโดนฆ่าตายถูกต้องอครับแล้วทำไมเพื่อนเขาถึงไปหาเขารู้ไหมครั บ, รบเพราะที่อยู่ของนี้อยู่ใกล้ๆบริเวณของแฉนแสบเออหรอ พอมาถามเพื่อนเขาว่าแล้วมันตายตรงไหนของกองแทนแท้เขาบอกตายตรงไหนโดนตรงไหนโดนโยนตรงไหนกูไม่รู้รู้แต่ปฏิบติประมาณบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คมันคือคอนโดของคุณหมีซึ่งคุณหมีไม่รู้ว่ามีศพมาติดไม่รู้เลยว่าวเพเื่อนเพื่อนคนอื่นไม่รู้เลยแล้วเป็นช่วงบริเวณเป็นช่วงวันที่เขาเสียชีวิตพอดีโดยประมาณออออเขาเลยแบบเฮ้ยน่ากลัวว่ะครับ เขาก็เลยทําึงทำเองเขาคิว่าใจไม่ดีแล้วจะไปทําบุญให้เพื่อนทําอะไรแล้วก็ไกูไม่รู้นะกูขอโทษด้วยกูนู่นนี่นครับนกูไม่เคยรู้เลยว่ามึงตายเพราะมันกูก็คงจะไปงานมึงอ่านบันบอกเงินนู่นมีเงนเสร็จแล้วก็เรื่องเงียบผ่านไปครับคุณดีทักมาบอกว่าหลังจะคุยกับมึงมันมาหากูออ่ะืถามว่ามายังไงบอกมึงไม่ต้องรู้หรอกเชื่อไหมึงไม่อยากรู้หรอกเขาก็เลยอะไรอยู่ว่า แต่เรื่องของเตนที่เจอในขันก็ถือว่าน่ า, านกลัวที่นี้เนี่ยคุณมีกับเพื่อนๆเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเล่นกันประมาณว่าอย่างนี้พี่แจ็คไม่คุยกันในห้องแชทอินบ็อกจะคุยกันหน้ากระดานเลยอจะทะลึ่งบ้างตลกบ้างคําบ้างมีทุกมิตุกระบายกันหน้ากระดานเลยและทุกคนก็จะมาต่อยอดกันคนละหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์ต่อกันเงี้ยเพื่อนทั้งกลุมล่มในสมัยเรียนด้วยกันเนี่ยรู้จักกันหมดอยู่ดีเขาว่าเราเรื่องผีกันเราเราบันเสร็จปุ๊บคุณหมีแกบอกมา เฮ้มาตาเราบ้างว่ะเขาก็พิมพ์แปลว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่เขาฝันเนี่ยอืตอนัเขานริ่งพิมพ์อยู่ในอ่าในส่วนของห้องครัวในคอนโดเขาครับอยู่ก็อยู่คนเดียวะอืวพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกแต่เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะอยู่น้ำดื่มน้ําก่อนอืมจะบอกจะวังโทรศัพท์เสร็จปุ๊บแล้วแกก็เดินไประวังห้องครัวเนี่ยมันจะมีเป็นโถงยาวๆที่จะวิ่งเข้าไปในอ เราไปเดินเข้าไปทางข้างหลังแล้วข้าลังคนโดเขาก็เลยเขาไม่อธิบายลนะเอียดรู้เท่ากับเดินทะลุจากห้องครัวไปเลยทางซ้ายมือจะเป็นห้องนอนแล้วแต่ห้องนอนจะความมือจะเป็นวกห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิตัดจากห้องครัวเดินตรงไปเลยจะมีทางเดินแคบๆไปโผล่ข้างหลังที่ให้ยืนดูวิวไอวิวตรงนั้นแหละมันก็จะมีลูกกงกันเอาไว้ซึ่งกุญแจเขาบอกว่าล็อกตั้งแต่ตั้งแต่เขาซื้อคอนโดนี้มานหละเขาไม่เคยเปิดจนมันเป็นสนิทหมดละแล้วทางเดินไปเนะี่ยจะมีช่องเล็กๆ เ, เ, เป็นฟองไว้สําหรับ ทำอะไรไม่รู้แหละแต่มันใส่ตู้เย็นได้พอดีเลยขเขาตู้เย็นไว้ตรงนั้นแล้วพมื่อเขาเดินไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาเปิดตู้เย็นว่อมลงหยิบน้ําเหงยหน้าขึ้นมาเท น, น้ําดื่มปิดตู้เย็นเสร็จหางตาเขาเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ปลายทางตรงสุดปลายห้องเขาเนี่ยนะเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วหันไปมองแว๊เดียวตอ น, นนี้ภาพันจะหายไปเขาจําได้เป็นพื่อนเขาคือคุณรอออืเขารีบกลับมานั่งโทรสัพท์แล้วพี่เมย์เลื่อนเขาฟังว่าเฮ้ยเพราว่าเราเจอว่ะออ ในขนานั้นทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนของทุกคนเลยนะเพื่อนทั้งรู้จักไม่รู้จักกันจะได้อ่านหน้ากระดานของแต่ละคนเลยเพราะเขเล่นหน้ากระดานทุกคนเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผี่หญิงที่เรียนอยู่ด้วยกันสมัยก่อนครับเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขายิ้มขึ้นมาว่าเออใครก็เจอคนนั้นก็เจอคนนี้นก็เจอแต่โชคดีเราไม่เจอเว้ยเพราะว่าตอนเรียนมันไม่ชนิทกับเราออืและเราอยู่ชนบุรีเราอยู่ไกลคิดอย่างเงี้ยค เช้าอีกวันหนึ่งต่อมาพิมพมาบอกกูโดนแล้วว่อะออเพราะถามว่าโดนยังไงเขาบอกเดี๋ยวพัดเที่ยงสอนเราให้ฟังพเพราะจริงเวลาพัดเที่ยงเสร็จเขาก็มาพิมกันคือได้ใช้าการโทรเลยมันมันมันจะฟังกันได้ไม่ทุกคนก็เลยพิมพ์กันที่หน้ากระดานเหมือนเิมพิมกันว่าเจอคือนอนฝันว่าคุณรอน่ะไปหาครับคุณรอนี่ย เวลาที่ไปหาเวลาที่เขาสนิทกับใครเนี่ยเขาจะพูดกูมึงไม่ว่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ถ้าไม่สนิทเขาจะพูดว่าเรากับเธอครับแล้วเขาก็พูดกับผู้หญิงคนนี้ฝันว่าเธอจะช่วยเราหน่อยได้อหมช่วยอะไรอ่ะช่วยเราหน่อยได้ไหมละ่ะช่วยอะไรเราไม่รู้เราก็ไม่สนิทกับเออจะช่วยเราหน่อยได้ไหมเริ่มแข็งขึ้นไม่รู้จะให้ช่วยอะไรแล้วทําอะไรไม่เป็นทั้งนั้นผู้หญิงคนงนี้ตัดบทคในฝันนะ คุรอขึ้นไปยืนบนละอกคือคือผู้หญิงเนี่ยละอกสองข้างของเขาเลยนะเน้นเหยียบตรงละอกอ่ะตรงละอกแล้วขยี้ขยี้แล้วมันกระพรับช่วยเราไหมช่วยไหมจะช่วยหรือไม่ช่วยจะช่วยหรือไม่ช่วยอยู่เงี่ยออืเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขาเจ็บจริงๆแล้วปากแตกด้วยครับไม่รู้ว่าจะฝันจนละเมือมือฟาดหรืออะไรไม่รู้แต่ที่แน่คือปากแตกด้วยออืแล้วพอ รายการนั้นไล่กันวางเ็พี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในในในเฟซของทุกคนเนี่ยขเขาก็ะทำมาบอกว่าเออหมีเอ อ, เ อ, อพี่ขอเปิหมีได้สิเป็นส่วนตัวถามว่าทําไมละครับพี่เราเรารู้จักกันมานานแล้วแต่ถึงไม่สนิเทเท่าเน่ยพอดีพี่มีเรื่องจะคุยเจอกับคุณรอที่เราว่านเนี่ยคอ้าวพี่รู้จักไหมหรอือไม่ไม่รู้จักแต่ว่าเจอแล้วละ่ะอเจอยังไงอะพี่ เขาเบอน์หมีมาก่อนแล้วพี่โทรคุยออืเขาให้เบอร์เสร็จปุ๊บผมฟังคุณหมีเล่าประโยคนี้พี่แจ็ฟังนะครับที่วันนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่อ่านเรื่องของคุณรอเสร็จคุณรอไปหาอย่างนี้ครับออืไปที่หน้าบ้านโดยที่เขานั่งมองอยู่ีหน้าบ้านนั่นแะไม่มีคนและไปเรียกเขาอย่างนี้นี่ครับออนี่ครับเุ้ยนี่ครับเุ้ยเสียงเหมือนมันเรียกตรงกับที่ผมเจอมาแล้วคุณคิงเออเออเออเออตรงไมเออเออแล้วผมก็ถามคุณหมีบอก มี่หนทำไมเขาโทษเรื่องนั้นเขาบอกเพื่อนบมเป็นคนสุภาพนะเพื่อนผมเป็นคนสุภาพก็จะมีจาประมาณนี้แหละทาไมน่ากลัววะเอ๊ะทำไมรู้สึกน่ากลัววะเขาบอกว่าเพื่อนผมเป็นสุภาพแลนะเขาจะมาประมาณนี้แหละเขาจะบอกความที่เหลือคปรากฏว่า พี่พลังก็ทําการถามว่าตายตรงไหนออืศพติดตรงไหนออืก็เลยไปไปไปดูกันสถานที่ส็ภาไปชี้กันเขาก็ไปกันเรากรู้จักกัเนี่ยไปถึงเขาไปทำผีจบไปปรากฏร่พี่คนเนี้ยเดินเดินวิญญาณของคุณรอเขาสิงออืตอนแรกคุณหมีเขาบอกว่าเฮ้ยเฟลกว่าวะแต่ปรากฏว่าเขาเดินเข้ามาเกาะเกาะคุณหมีแล้วเขาร้องไห้แล้วพูดบอกเฮ้ยกูยังไม่อยากตายครัเพื่อนกูหนาวกูอยู่ข้างล่างเนี่ยออืมึงช่วยเอากูขึ้นน่อย มีใครสักคนหนึง่งเขาไม่ยอมไม่กลัวไปไหนเลยว่ะคคุณหมีก็เลยถามในประโยชน์ที่มีเพื่อนรู้กันปรากฏว่าเขาตอบถูกได้หมดเรื่องในอดีต ค, คุณหมีระบบไม่เชื่อผมก็ต้องเชื่อว่าเป็นในรอดจริงแล้วปรากฏว่าก็หายไปครับก็เลยทําการเส้นไปหาวิธีการแก้ปรากฏว่ามันดึงเอาดวงวิญญาณขึ้นได้ดวงเอาวิญญาณขึ้นได้นะแล้วต่อมาไม่นานคุณหมีก็ฝันเห็น ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรวมๆกันประมาณสิบคนนั่งอยู่ที่ท่าน้ำคลองแสนแสบโดยที่ทุกคนแหละเขาก็นั่งเป็นปกติน่ากลัวแต่มีอยู่คนนึงจ้องคุณหมีตาเขาเหม่งเลยเหมืนจะเป็นลูกนี่ใหญ่สุคงเขาอ่ะแล้วม็ชี้หน้าคุณหมีผู้หญิงก็สะดุ้งตื่นแล้วอีกวันนึงต่อมาพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ทักคุณหมีมาเลยนะว่าหมีพี่มีเรื่องจะคุยด้วยผมก็ไม่ได้จะคุยกับพี่เหมือนกันแต่อันไหนแล้วว่ามาก่อนเขาพูดถึงเรื่องที่เขาฝันเขาบอกพี่กาลังจะเตือนเราเลยเนี่ย จากการที่เราไปเอาเพื่อนเราขึ้นมาก็จริงนะแต่เพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเขาปรากนว่าเขาไม่พอใจเราเมืม่อคืนพี่ก็ฟันตรงกับเรานั่นแหละเพราะเขาเลยว่าแล้วผมไม่ต้องทําไงดีครับอย่าเดินทางทางน้ําอย่าโดนน้าเด็ น, นขาดช่วงนี้แล้วเวลานอนอย่านอนวันโคนวันพระครับคือลักษณะอย่างนี้พี่จ็อธิบายก่อนสมมติว่าคืนตั้งแต่เมื่อคืนเมนะ้่วานมาเนี่ยในวันนี้จะเป็นเข้าวสุวันโคนใช่ไหมหลังเที่ยงคืนอะ่ะ คืเขาต้องนอนก่อนแล้วเนี่ยหัวค่ำพอเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเขาต้องตื่นแล้วห้ามนอนเลยไปจนจริงเที่ยงคืนของวันเนี้เขาเลยเที่ยงคืนของวันนี้ไปเขาถึงจะนอนได้คุณบอกที่ทําอย่างนี้นานเลยพี่เขาบอกเสียทิศอาเสียทิศเขาก็ทําเพราะเสียทิศหลังจากนั้นต่อมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายันยานเพื่อนของเขาเนี่ยไม่รู้จะลุกหรือเปล่านะอแต่พี่ผู้ชายคนเนี้ยก็โทรกลับมาบอกคุณหมีว่าเออหมี ยองยาที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าใหญ่นั่นแหละเขามาเขาฝันพี่มาหื่นเขาบอกว่าเขาจะกลับแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราแล้วก็ทีนพี่อันแล้วเขาบอกไว้ว่าเขาไม่ยุ่งเพราะอะไรเขากำลังจะไปรอรับเพื่อนใหม่โอ้โหเฮ้ยขนลุกว่ะกําลังจะไปร อ, อรับ <มา S 1> เพื่อนแล้วตอมาไม่นา น, นปุ๊บ<อ>ใช่ใช่<อ>กําลังไปรอรับเพื่อนใหม่คือไม่งอก็ได้ออืแล้วปรากฏว่าต่อมาไม่นานในกลุ่มของคุณหมีคุยกันว่าหลังจตุวี่คนนั้นบอกปุ๊บ มีคนโดนหันเป็นท่อนโยนคองแสนแสบที่ผมเพิ่งส่งรูปข่าวเนะี่ยไปให้พี่บัดเมื่อกี้เองอืมอันนั้นคือสิ่งที่ทางกลุ่มของคุณหมีกคุยกันมาอืมอือพีอแจกว่ามันตรงไหมละ่ะอืมถามว่ามันตรงไหมเฮ้ยมันโอ้โหเฮ้ยมันพูดยากนะคุณคิงแต่แต่ที่ฟังมาทั้งหมดทำไมผมรู้สึกกลัวไม่ได้บิ้วไม่ได้อะไรนะไม่ได้คิดไปเองนะคุณผู้ฟังแต่แบบแค่นึกภาพตาม ในสิ่งที่คุณขิงเล่ามันจะบังเอิญมันก็พูดยากมันจะตรงเฮ้ยมันก็มันก็พูดยากอีกนะหรือมันมีอ่าอ่ามีอะไรคะมันมีอีกนะที่พี่ฟังเรื่องนี้นะไอ้น้องผู้หญิงที่ผมบอกเขามาช่วยงานที่โรงพันผมอ่ะมันไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมครับผมเน้นว่ามันเอารถขิงมาจอนหน้าโรงพันถูกไหม มันไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็มันทำธุระเสร็จหมดเอ้พี่หนูกลับแล้วเว้ยก็สบายขันก็กลับบ้านไปเย็นมันแจ้นจะับมาผมบอกพี่จนป่านนี้แล้วหนูอยากจะทํามปี่ทีอย่างหนึ่งทําไมอ่ะเนี่ยหนูรู้สึกอะไรอย่างอ่ะมึงจะทำที่ค้นหน้าไมวะคือหนูว่ามันไม่ดีอะไรออืทำไมในรถหนูมีกลิ่นน้ำคั่มวะเฮ้ยเป็นกลิ่นน้ำคั่มเลยหรอมันไม่รู้เรื่องนี้พี่แจ็คหนูบอกไป ถ้ามันรู้ปุ๊บเลยคิดว่ามันอาจะสร้างภาพจินาการว่าเอ้ยผีมานั่งรถกูกปวาแต่นี่คือมันไม่รู้เรื่องผมไม่เล่าให้มันฟังด้วยซ้ําแต่มันจะบอกพี่อดูที่กลินน้ำคํามาจากไหนไม่รู้ว่าตั้งแต่ไปจนกลับมาเรื่องมีอยู่เลยอ่ะครับในรถของมันออืซึ่งออืคุณรอโดนโยนของแสนแตกที่คิดว่ากินน้ำคํามาจากไหนเออแล้วก็ข่าวเรื่องของ ทิ้นส่วนเมื่อกี้ที่คุณคิงพูดถึงอ่ะมันเพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะคือจะมีผมจบเรื่องวิบัติดูแล้วมันตึ้ในกลุ่มของของของคุณคุณเหมียวคุยกันว่าทำไมพอหลังจากเล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บมีคนตายดีอย่างที่พี่เขาบอกว่าว่าอประมาณว่าไปรอเอาเพื่อนใหมออ่อ่อนะค่ะโอ้ยเห่นนอคุณคิงกำลังจะบอกว่า อย่างที่คุณคุณคุณหมีเขาคือมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะคุณผู้ฟังนะครับว่าใครที่ฟังเรื่องเนี้นะครับเหมือนจะโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตามนะครับแต่เท่าที่ฟังทั้งหมดอันนี้คืออันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับอาจจะเป็นแค่เฉพาะในกลุ่มในกลุ่มของคุณหมีเขานะครับที่ที่เป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่เป็นเพื่อนห่างๆตรงนั้นก็ได้หรือ คุณคิงที่เอ๊ะทาไมคุณคิงถึงมีความรู้สึกแปลกเพราะคุณคิงก็คุยกับคุณหมีบ่อยอันนี้ผมมองแบบเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเลยนะว่า mm. เฮ้ยเราเรานั่งฟังเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอกันทั้งหมดอาจจะไม่ได้ต้องไปร่วมแชตา ก, กรรมเหมือนที่คุณคิงไล่พวกเราฟังคุณผู้ฟังเอ อ, เ อ, อผมกล้างจะมองว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแบบนั้นไงถ้าถามว่าเฮ้ย ไม่รู้ดิทำไมฟังแล้วมันเรื่องนี้มันน่ากลัว ม, มันบอกไม่ถูกอะ่ะอืม อ, จอาจารย์รู้ปะอาจากย์ก็น่ากลัวแต่คิดเชื่อไห ม, มขนาดผมปฏิบัติมาพอสมควรนะมผมอ่านครั้งแรกผมยังมีความรู้สึกในใจว่าชิงจะไม่ยุง <c oughs> ่งคิดแบบคิงวะทำไมเขาถึงมามาปรากฏตัวให้กับคนที่ฟังเรื่องของเขาได้รู้สึกอ่ะ ไม่เชิงว่าเป็นทุกคนครับใช่แลแต่จะเป็นเฉพาะคนที่ปฏิบัติหรือทําบุญบ่อยอืมเหมือนเข้ามาต้องการขอแบ่งส่วนบุญอะไรอย่างนี้หรอประมาณอย่างนั้นครับแล้วล่าสุดวันที่เขามานั่นน่ะผมกําลังทําบุตรีอยู่ครับแล้วผมก็กําลังทําพระหลือภูม่านอยู่ผมเชื่อว่าฮ่องได้เห็นว่าทําบุญใหญ่อยู่ไงอ๋ออโอเคเพราะฉะนั้นผมผมรอดแล้วล่ะ ไม่พี่ก็ทำบุญโรงเรียนเล่เหรอครับก็อบนานแล้วอันนั้นน่ะแล้วทำไม่นานแล้วตอนเนี้ยอุ้ยหมดไปแล้วใช้อย่างอื่นแบบเอ้ยแบ่งๆเผือๆกันหมดไปแล้วเออครับผมอันช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แบบเอ้ยทําบุญเข้าวัดอะไรทักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าทำบุญก็ทำไปใกล้วัดเลยนะเพรังเรงนี้เสร็นะะแล้วก็ทีมงานแต่ละคนอย่างพี่บัตรเอ้ยวีวีเอ็นี่ก็แบบ เอ้ยเขาเขาใส่คลิปอยู่แล้วพี่บัตรนี้แน่นอนนะอุ้ยอันนี้บาปเยอะอันนี้ น, นี้บาปนะเออแล้วพีบัตรฟังก่อนผมด้วยนะเรื่องเนี้ยเออแต่จริงๆแล้วคือคุณผู้ฟังคือเอ่อไม่ต้องไปไปซีเรียสนะครับผมก็เอาตัวผมรอกด้วยก่อนเล้วบอกเ อ, เ อ, เอผ้ผมก็บาปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่น่าน่ากลัววะคุณคิงน่ากลัว นะคือเรื่องนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องให้ผมมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังใหม่เลยนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังตั้งใจฟังแต่แรกอ่ะผู้ฟังจะเฮ้ยเฮ้ยมันมันถามว่ามันแปลกมันแปลกมันบังเอิญไหมมันบังเอิญมันมันมันจะตรงอะไรได้ขนาดนั้นหรือมันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้ก็ไม่รู้ไงโอ๋แต่อย่างน้อยเนี่ยก็แต่มัจะการมากระจุกไปดิเออมอย่างอย่างอย่งอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่คุณกิงบอกว่าเฮ้ย มันอาจจะจบไปแล้วก็ได้เรื่องเนี้ยเพราะเขาเขาได้อคนใหม่เพื่อนใหม่<อ>ไปอเอออะไรอย่างนั้นไปแล้วก็ได้ไงคุณหมีอาจจะหมดบ่วงตรงนั้นไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคร่บออที่ว่าผมอ่านคอมเมนต์ที่เนี่ยกลังจะเล่นรอบไปเนค่ยคแสดงตัวเป็นคนบาปเป็นเรียบเลย <laughs> ที่ดู <laughs> <laughs> อ้เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มุกนะผมก็บอกเอ้ยผมก็ทำบุญไปนานแล้วนะ <laughs> นานมากแล้ว น่าน่าแต่เผื่อแผ่คุณผู้ฟังอุย้ยเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเยอะด้วยนะครับแสดงว่าคุณผู้ฟัง The Good รายเดียวแต่ละคนของผมมีบุญกันหมดเลยนะผมเอามาฝากเยอะมากนะครับเพราะว่า่าในส่วนของโรงเรียนที่ที่เราไปทํากันมานะครับอาคารเรียนก็ก็เสร็จแล้วเนี่ยนานแล้วนะต้องนานแล้ ว, นะ ต, นนลวต้องบอกคุณผู้ฟังเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวนนะะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังแห่งที่เรา บอกกันตลอดแหละครับฟังเอามันฟังเอาสนุกฟังเอาให้มันตื่นเต้นก็พอพอมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วก็ก็ให้มันจบไปเหมือนดูหนังผีไปเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแะครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ u b s ไ r i b e channel the ghost radio official กันด้วยนะครับ <laughs>